จิตสัมผัสเป็นอย่างไรถามที่ว่าจิตสัมผัสกันได้นั้นเป็นอย่างไรตอบทุกคนมีจิตสัมผัสจิตสัมผัสเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเอาใครสักคนมานั่งตรงหน้า คุณมองดูแล้วรู้สึกได้ว่าในหัวเขากําลังอัดแน่นด้วยพายุความฟุ้งซ่านหรือคุณฟังคนจะมาหลอกขายของฟังไปฟังมาคุณรู้สึกได้ว่าเขาพูดโกหกสัมผัสเหล่านี้ใช้ตาดูหรือหูฟังอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องใช้ใจรู้ใช้ใจเป็นตัวตัดสินอันที่จริงหากปราศจากจิตสัมผัสคุณจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง ปราศจากวูบแห่งความคุ้นเคยที่อธิบายยากปราศจากวูบแห่งสังหรณ์ล่วงหน้าแต่ประเด็นคือเมื่อไม่ทราบว่ารู้หรือสัมผัสได้อย่างไรอีกทั้งสลับผิดสลับถูกไปเรื่อยหาความแน่นอนไม่ได้จิตสัมผัสจึงเป็นธรรมชาติที่คลุมเครือสำหรับมนุษย์ธรรมดาและมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องมั่วมากกว่าเรื่องจริง จิตสัมผัสมีทั้งหยาบและละเอียดสัมผัสหยาบยาบของคนธรรมดานั้นเก <_ d ata> ิดขึ้นเมื่อมีภาพเสียงมากระทบหูตาซะก่อน <_ d ata> เช่นเห็นใครบางคนเดินมาแล้วรู้สึกทมแมง <_ d ata> ทมแมง <_ d ata> เหมือนได้กลิ่นเรื่องร้ายแรงบางอย่างในอากาศรอบตัวคนคนนั้นแต่ก็ไม่อาจระบุว่าคนคนนั้นไปทำอะไรจนกว่าข่าวหน้าหนึ่งวันรุ่งขึ้นจะรายงานว่า ที่แท้เป็นฆาตรกรหั่นศพยัดกระเป๋าแตกต่างจากสัมผัสทางจิตที่ละเอียดและสามารถรู้ชัดของผู้ทรงฌานเพียงฆาตรกรเดินมาพร้อมกระแสร้ายแรงจิตของผู้ทรงฌานสัมผัสเข้าก็ระบุได้ถูกต้องทันทีว่ากระแสร้ายแรงดังกล่าวคือเงากรรมชั่วที่เพิ่งฆ่าคนเอาไว้และสัญญาณของเงากรรม จะมาปรากฏเป็นนิมิตในห้วงมโนทวารกลายเป็นสัมผัสรู้ชัดว่าคนร้ายทำการฆาตกรรมเหยือ่อรูปประพันธ์สันทานอย่างไรด้วยอาวุธแบบไหนซ่อนชิ้นส่วนศพไว้ตรงมุมใดเป็นต้นหรือจิตสัมผัสที่สูงขึ้นไปอีกระดับคือแม้ไม่เห็นหน้าค่าตาทั้งฆาตากรและเหยือ่อแต่เพียงได้ยินคนอ่านหนังสือพิม วิภาควิจารกันอย่างเมาหมันกลางวงโต๊ะกาแฟผู้มีจิตสัมผัสพิเศษน้อมใจไปรู้ก็รู้ครบทั้งรูปประพันสันฐานของฆาตกรและเหยื่อตลอดจนเหตุสะเทือนขวัญเป็นฉากฉากได้หมดด้วยตนเองทีเดียวที่จิตสามารถสัมผัสและล่วงรู้อะไรอะไรนอกขอบเขตหูตาได้ก็เพราะธรรมชาติของจิตนั้นคือรู้ แต่ที่ปกติไม่รู้ก็เพราะเจอคลื่นรบกวนเช่นราคะโทสะและพยุ ค, ความฟุ้งซ่านมัวมนต่อเมื่อทรงฌานมีความใสสะอาดเหมือนกระจกที่ปราศจากฝุ่นฝ้าก็เกิดทัศนวิสัยที่แจ่มชัดสัมผัสรู้สิ่งใดก็ได้ที่ไม่ละเอียดอ่อนเกินวิสัยจิตระดับตน ระดับความสามารถสัมผัสของแต่ละคนไม่เท่ากันพุทธเราถือว่าผู้มีจิตสัมผัสรู้เห็นอะไรอะไรได้แจ่มแจ้งแทงตลอดถึงที่สุดมีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีมาหลายด้านมีมหาทานประมาณอนันต์เป็นอาธิจึงอาจแทงตลอดในทุกสิ่งที่ต้องการรู้โดยไม่มีสิ่งใดติดขัดไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นชื่อคน ตลอดจนวิธีเกิดดับของจักรวาลและผู้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งมหาจักรวาลเช่นท่านก็ทราบด้วยว่าเรื่องน่ารู้ที่สุดคือกายใจของเราๆนี้เรื่องน่าใช้จิตเข้าสัมผัสที่สุดคือนิพพานอันเป็นความดับทุกข์ท่านสัมผัสทุกความจริงมาแล้วเพื่อประกาศว่าไม่มีความจริงใดน่าสัมผัส และเข้าให้ถึงยิ่งไปกวา่าเรื่องของทุกและการดับทุกขเลยสัตว์เรื่องเดียวถามผู้มีจิตสัมผัสจะส่งจิตออกมาถึงใครก็ได้เหรอตอบถ้าบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย มีคุณธรรมหรือมีสภาวะจิตที่ละเอียดหรือใหญ่เหนือคุณก็จะเหมือนมีกำแพงกว้างยาวสูงเกินกว่าที่คุณจะเจาะเข้าไปเห็นรายละเอียดภายในอย่างมากก็แค่สัมผัสได้ว่ากำลังสุขมากหรือสุขน้อยหรือเห็นแต่ภาพชีวิตดีๆภาพชีวิตที่สว่างแบบกว้างๆเท่านั้นครับความจริงโลกที่ดูเหมือนเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ ถูกปิดบังอยู่ด้วยม่านกรรมดำบ้างม่านกรรมขาวบ้างต่อให้มีจิตสัมผัสอย่างไรถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็รู้ไม่ได้หมดหรอกถามทำอย่างนั้นเรียกส่งจิตออกไปนอกกายถูกต้องไหมและเขาจะส่งจิตไปโน่นไปนี่เพื่ออะไรได้บ้าง ตอบจิตออกจากกายนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนโมยิทิคือผู้ทรงฌานใช้กำลังจิตถอดจิตจากร่างเหมือนชักดาบจากฝักส่วนจิตสัมผัสเนี่ยการรับรู้ทั้งหมดปรากฏขึ้นในมโนทวารทำนองเดียวกับที่คุณหลับแล้วเห็นภาพฝันต่างๆสิ่งที่ผิดแผกจากความฝัน คือภาพเสียงที่รับรู้อยู่ในมโนทวารไม่ใช่แค่คลื่นลมเหลวไหลแต่เป็นความจริงพิสูจน์เป็นรูปธรรมได้จริงในกรณีที่จิตสัมผัสเที่ยงตรงด้วยนะครับส่วนจุดประสงค์ของการส่งจิตไปสัมผัสก็ไม่จำกัดครับดูเลขหวยก็ได้ดูมนุษย์ต่างดาวก็ได้ดูวันโลกาวินาศก็ได้คิดถึงอะไรก็ได้ คิดถึงอะไรได้ก็ดูได้ทั้งนั้นแต่จะเห็นหรือไม่เห็นจะจริงหรือไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกำลังความหนักแน่นและความบริสุทธิ์ของจิตมากน้อยเพียงใดหากจิตยังโลภมากอยากรู้ว่าหวยออกอะไรหรือหากจิตยังโกรธมากอยากรู้ที่อยู่ศัตรูจะได้ตามไปฆ่าประเภทนี้กิเลส จะส่งคลื่นรบกวนยิ่งกว่าหิมะตกต่อให้เคยทรงฌานเคยมีจิตสัมผัสที่เที่ยงตรงก็ไม่อาจเห็นอะไรได้ตามประสงค์อย่างแน่นอนครับ